คำว่าเที่ยงคำว่าแน่นหนาทาวร์หรือกีรังมั่นคงเป็นสิ่งที่โลกต้องการในส่วนที่ถึงปรัชนาเช่นความสุขเป็นต้นแต่จิริดั ง, ดงกล่าวนี้เราจะหาได้ที่ไหนเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วย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 ในสิ่งที่ชอบทำให้ถึงพร้อมเนี่ยสติตะประโยช น, น์ปัญังทำผิดทั้งตนให้ของสาจะมาทั้งถึงความบริสุดหนึ่งเกตังพุทธานศาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคนะุชชี้ในวันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีองค์ใดที่จะแสดงให้แตกต่างนี้ไป เพราะความจริงทั้งหลายไม่มีของแตกต่างไม่ว่าจะสมัยใดก็าตามมีเรื่องอนิจจังทุกข์ทังหน้าตาอยู่เป็นประจําโลกมานมนานแม้พระพุทธเจ้ายังไม่ไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นระหว่างสุญญากับคือไม่มีคำตังสอนแสดงเรื่องความจริงเหล่านี้ก็ตามความจริงเหล่านี้ก็มีมาดั้งเดิมมีมาประจําอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการ เราจะหาได้ที่ไหนโลกกว้างแสนกว้างเต็มไปด้วยสิ่งดังกล่าวนี้ทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้หมดทั้งตัวเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับจะหาที่เหยียบย่างไม่ได้หาที่ตรงจิตตรงใ จ, งใจลงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สถานที่ว่าตรงจิตตรงใ จ, งใจลงไม่ได้นั่นแหละคือสถานที่พึงหวังของเราพระพุทธเจ้าก็ สาเร็จรงสำเร็จความมุ่งหวังจากสถานที่นั้นพระสงฆ์สามวกที่ได้เป็นสารณะของพวกเราก็สำเร็จความมุ่งหวังในจุดนี้ธรรมที่ได้นำมาประกาศสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดนี้คือใจที่ห้อมล้อมอยู่ด้วยกวามอนิจจังทุกขังหน้าตานั้นแหละแี่เป็นผู้รับทราบเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตาที่มีอยู่ โลกแต่จุดนี้ก็เป็นเป็นจุดที่จะปลอดภัยได้เมื่อดำเนินตามหลักคาคําตั้งสอนของพระพุพธิจ้กที่คิดไว้แล้วโดยถูกต้องเราเกิดมาด้วยกันทั้งคนไม่มีอะไรบกพร่องในพรมเป็นมนุษย์ตามสมมุติยมเต็มตัวเราจะทำอย่างไรจรึง จะส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่บกคร่องนี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณธรรมที่จะเจริญรับจากกองนิจจ์ทุกขังหน้าตานี้ดังที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่เวลานี้และบำเพ็ญเรื่อยมานี่แลคือทางดําเนินเพื่อความลบดีตรีไทยทั้งหลายได้โดยลําดับจนกระทั่งหยุดพ้นไปได้ถึงสิ่งที่พึงหวังจะเรียกว่านิจังเป็นของเที่ยงกาได้ เมื่อไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาทําลายความมุ่งหวังไม่มีทําอะไรเข้ามาทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราจะเรียกว่านิจจังคือความเที่ยงก็ได้สุขขังอันเป็นบรร ม, มะสุขก็ไม่ผิดเราจะเรียกว่าอัตตาเข้ามาจิตอืดเป็นตนแท้ตนในหลักธรรมชาติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอัตตาที่เป็นคู่กับอนัตตาอันนั้นเป็นความสมมุติอีกขั้นหนึ่ง แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อความแที่ยงขาศปลดอดภัยไปโดยลำดับไม่ว่าภายนอกภายในไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือจากพระโอาวาทคำสั่งสอนคำพุทธเจ้านี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไม่มีทางลาสมัยเป็นมัชจิมาอยู่ใน่้ำกลางแห่งความประพฤติความเป็นไปของโลกอยู่เสมอไปคือเหมาะสมกับโลกทุกการทุกสมัย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 เป็นสิ่งที่โลกปรารถนากันอะไรๆก็ตามขึ้นที่ว่าขาดทุนแล้วขาดแล้วขาดเราขาดม่อยู่ไม่ถอยก็ล่มจมไปได้เราก็เมื่อขาดทุนอุปาณาจิตใจคือขาดทุนจากคุณงามความดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเหยียบย่มทำลายไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล่มจมได้เช่นเดียวกันกับเรื่องสมบัติเงินทองภายนอกเพราะฉะนั้นเราจึงควร ได้สังเกตสอดรู้เรื่องของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่พอย่างยิ่งการจิตตะภาวนาเป็นเรื่องสำคัญที่จะทดสอบตนนนเห็นอย่างประจักษ์ไม่มีความรู้ใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากด้านจิตตะภาวนาจะสอดแทรกไปหมดบรรณาความจริงที่มีอยู่ที่ไหนไม่ว่าดีชั่วหยาบละเอียดและนอกเหนือปัญญานี้ไปไม่ได้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 พิจารณาร่างกายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละแล้วได้คุณธรรมซึ่งเป็นที่แน่ใจขึ้นมาจากการพิจารณาเหล่านี้หนังสือเราอ่านมาจนติดปากจนชินอ่านที่ตรงไหนก็เจอตั้งแต่เรื่องอนิจจังเรื่องทุก ข, ขังเรื่องอนัตตาแต่ไม่สะดุดจิตสะดุดใจอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนอย่างลอยๆย ผู้ที่ท่านจดจารึกลงไว้ก็ไม่ได้จารึกแบบลอยลอยผู้อ่านอ่านแบบลอยรอยไม่ได้คิดเรื่องการเป็นเรื่องศาสนามันเป็นของจำเป็นเป็นของลอยลอยไปเสียทั้งๆ ท, ที่ตัวเราลอยเราไม่รู้นะเราเห็นใอื่ น, เ ป, นเป็นเรื่องลอยลอยไปเสียตัวของเราเองนั่นแหละลอยลง่งหาหลักยึดไม่ได้มันก็มาเสียตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณา ให้ถึงจิตถึงใจและเรื่องทุกขังก็ทำมันชัดในตัวของเรามีอยู่ในตัวของเราทําไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์นอกจากเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องจิตใจแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบในท่านในขันอันนี้ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งวันอวส า, าแนแห่งชีวิตจะต้องรับผิดชอบกันเรด้วยไปเช่นนี้หนักเบาอะไรต้องเราต้องรับภาระทางนั้น อันนี้จังมีอะไรแปรบ้างหรือไม่แปรภายในตัวของเหล่านี้ตัวที่อื่นมันไกลไปมุมลานอกสุม่มเอาในสุ่มนี่แหละคือตัวของเราเนี่ยค้นเข้าไปที่ตรงนี้มีอะไรแปรบ้างเราเห็นอยู่ทุกระยะถ้าใชา้ปัญญาพิจารณา ขะชาติปิดูขาชาราปิดูขามานำํำปิดูขังเราก็สวดซะจนชินปากแต่ใจไม่อยู่กับชาติปิดูขาชาราปิดูขามันอยู่เนาะไปไหนก็ไม่รู้เขาเลยสักแต่ว่าสวดสักแต่ว่ากันไปเป็นทํานองทำเนียมไปแต่กิเลสที่อยู่บนหัวใจเรามันไม่ใช่ทํานองทำเนียมมันเป็นกิเลส จ, จริงๆมันก่อควนจริงๆทาความทุกข์ให้เราจริงๆเนี่ยการแก้กิเลสการแก้วความ ไม่ดีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจจึงต้องทําด้วยความจงใจทําด้วยความอุตสาพยายามทําด้วยความปักกิดปักใจจงใจจริงๆทําด้วยความอุตสาพยายามภาคเพียรหนักก็สู้เบาก็สู้เช่นเดียวกับเราตกน้ําพยายามแบกไหวขึ้นบนบกกําลังมีเท่าไหร่ก็ต้องทุ่มกันลงอืจนกระทั่งชีวิตหาไม่แล้วจึงจะยอมจมน้ําตายหากว่ายังมีพอตะเกียกตะกายอยู่แล้วจะไม่ยอมจมน้ํานี่อันนี้ก็เช่นเดียวกัน จะสมกับที่พระผู้ทธ่เจ้าท่านประทานโอวาทแก่สว์โลกไว้ด้วยพระเมตตาอย่างเต็มทะไทแล้วก็เข้ากันได้ตามหลักพระเมตตาที่ทรงสั่งสอนสว์โลกด้วยอัดด้วยธรรมเราสนองท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจงนักพักดีต่อพระพูทธเจ้าก็าถูก จะว่ามีความจงรักภักดีต่อตัวเพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวก็ก็ได้ไม่ผิดแต่สรุปแล้วก็คือเพื่อเราอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสรรพันส่วนอะไรกับพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งทานไปอยู่เรื่อยๆถ้าจะสะดุดใจเราก็ควรจะสะดุด่านพัทลายก็หมดไปทั้นทันไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาในความผ่านไปแห่งร่างกาย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 คนแหงความผิดทองตนเองจึงต้องเรียนลงที่ตรงนี้ชาติปิปุขาเพียนให้ถึงใจขณะที่เกิดทุกข์แสนสาหัสเราจําไม่ได้รอดตายมาแล้วถึงมาเป็นมนุษย์นั่นท่านบอกว่าชาติปิปุขาท่านพูดด้วยความจริงแต่เราจําไม่ได้เดีย๋ยเหมือนกับว่าไม่ไม่ใช่ความจริงชาติปิปุขาขโมกเงนังนเง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 เต็มหัวใจในขณนะนั้นผู้ที่จะผ่านไปก็เดือดร้อนเต็มหัวใจจะไม่เรียกว่าทุกข์อย่างไรถ้าเราเรียนให้เห็นความจริงเช่นนี้แล้วทําไมเราจะไม่ได้คติจากการพิจารณาเช่นนี้แล้วอะไรมันถึงจะสูงก็พิจารณาให้ทราบคือเราบังคับไม่ได้นั่นแหละมันถึงเป็นไปเช่นั้นหากเป็นสิ่งที่บังคับได้แล้วโลกนี้ไม่มีปาฏิเพราะชาติและบุคคลบังคับกันได้ด้วยกันต่นี้เป็นสิ่งที่สูงโดยสัย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 ถ้าพิจารณาเป็นทะขันนี้ตลอดทั่วถึงแล้วจะมีความสุขขึ้นมาในในจุดนี้พิจารณาอย่างไรพิจารณาทาาขันเบื้องต้นเขาพิจารณารูปกายหลังที่ว่า น, นี่ดูความแปรปวนเราก็ทราบได้ชัดความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขันอันนี้พิจารณาให้ดีใจนั้น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 แยกแยะแยกส่วนแบ่งส่วนแบ่งร่างกายให้เห็นแต่ยังไม่ตายดูตั้งแต่ตาดเช่นตาดช้าเนี่ยดูตั้งแต่ในขณะนี้อย่าด่วนให้เขานําเราไปบาดผ้าไปสู่เมนเราดูป่าช่างเราก่อนดูตั้งแต่ข้างนอกข้างในดูเข้าไปโดยละเอียดทั่วถึงจิตจะมีความเพิดเทลินเมื่อเห็นความจริงของสกุลรางกายนี้มากน้อยเพียงไรแทนที่ใจจะมีความอิดหนาละอาใจมีความทอถอยอ่อนแอ เศ้ามองภายในจิตใจหรืออับเฉาไม่เป็นเช่นนั้นยิ่งเป็นความเรื่องเดิงบันเทิงขึ้นมาจิตใจยิ่งเบาโดยลําดับลํำดั บ, ดบเพราะเราเคยไปยึดไปถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานา น, านแล้วโดยที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราทางท่านที่กองทุกเต็มอยู่กับความยึดความถือเราก็ไม่ทราบได้แต่เมื่อได้อย่างทราบด้วยปัญญาแล้วความยึดความถือจะทนไปไม่ได้ต้องถอยฉลาดออกทันทีทันใดหรืค่อยฉลาดออกเรื่อยๆตามนาัตของปัญญาที่เข้าใจ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 ไปจากหนังไปจากเนื้อจากเอ็จากกระดูกไปเป็นอย่างอื่นมันเป็นความจริงของมันเช่นนั้นทูกแสดงขึ้นมาก็เป็นความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาจิตไม่ตายทุกคาเทศนาเป็นสิ่งที่ดับได้เกิดได้ดับได้จิตดับไม่ได้จิตจึงนทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความรู้ที่จะรู้สิ่งต่างๆเพราะจิตไม่ได้คิปหาย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 เห็นความจริงอย่างเต็มศักดิ์เต็มส่วนแม้ที่สุดร่างกายจะสลายั้ไปเราก็เป็นสุขโตไปอย่างองอาจก้าหารไม่มีความอับเฉาภายในจนิตใจเลยนีเรียกว่าสุขโตด้วยการพิจารณาอย่างนี้มีเป็นประการเนี่ยประการสําคัญก็คือพิจารณาอย่างนี้แหละจนกระทั่งเข้าใจาจริงๆในเรื่องขันทั้งห้า คือรูปประขันก็เป็นรูปประขันให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ <indeed. S 1> เวทนาขันก็เป็นเวทนาขันคือกองของเวทนาหมวดของเวทนาจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นัสัญญาก็เป็นสัญญาสัางขารเป็นสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณแต่และอย่างในอย่างเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จิตต้องเป็นจิตเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต่างอันต่างจริงอย่านําไปฆ่าคราวกันพิจานาแยกออกด้วยสติปัญญาอันทันสมัยแล้วจากอันก็ต่างจะจริงตามหลักธรรมชาติ ผิดก็จริงด้วยอำ น, นาจของปัญญาพิจนาแยกแยกให้เห็นตามความจริงรูปเบชนาสัญญาทั้งขาวิญญาณก็จริงจริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จริงทั้งเวลาที่สลายไปกระสลายไปตามความจริงของเขาผิดก็จริงเต็มภูมิของผิดนี่เมอเป็นเช่นนี้แล้วพิจารณาถึงขั้นนี้แล้วเป็นผู้หมดความหวั่นไหว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 จะหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ภายในยใ จ, จิตใจตั้งแต่บัดนั้นต่อไปนั่นแหลท่านเรียกวันนี้พานังประมังสุขขังคือสุขล้วนนไม่ใช่สุขกด้วยทุกขเวด้วยเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติเป็นสุขในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สุขในสมมติสุขในวิมุตจึงประมังสุขขังนี่คือสาระคุณ เราจะเรียกว่านิจจังนิจจะทำคือธรรมที่เป็นของเที่ยงก็ไม่ผิดไม่มีอะไรจะแย้งภายในตัวเองแล้วคนอื่นไม่สาคัญเรื่องอื่นไม่สาคัญขอให้เจ้าของรู้ตามความเป็นจริงหมดทางที่จะขัดจะแย้งเจ้าของซึ่งเป็นตัวสาคัญคือเจ้าของเองนี้เท่านั้นก็หมดปัญหาไป เนี่ยที่กล่าวเบื้องต้นว่าอย่างที่กีลังถาวรโรคต้องการแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในจุดที่ไม่ถาวรดังที่กล่าวแล้วที่นี้คืออมตะตังได้จะจิตที่ไม่ตายเนี่ยตอนหนึ่งไม่ตายด้วยความหมุนเวียนของอำนาจีิเลดมันถักใสให้ไปสู่ภพต่างๆ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 ในความเป็นอยู่กับความตายไปสําหรับผู้ที่สิ้นปัญหาภายในจิตใจโดยสิน้นเชิงแ้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือสาระคุณของมนุษย์เราได้จากสาสนาธรรมสมกำนามที่มนุษย์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดนําสนาธรรมซึ่งเป็นของพระเสด็จเลื่อนโลกมาเป็นช่องทางดําเหนือหลีกหลบหลีกเลี่ยงทุกทั้งหลายไปได้จนทะลุ ป, ปุปรงพ้นจากภัยโดยประการทั้งปวง